แนะนำบทอัลฮักกะห์บทอัลฮักกะห์เป็นบทมักกียะห์มี 52 องค์การบทเริ่มด้วยการกล่าวถึงสภาพอันน่ากลัวของวันกิยามะห์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อวันนั้นรวมทั้งการลงโทษของอัลเลาะห์ต่อผู้ที่ดื้อดึงและปฏิเสธศรัทธาบทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์และสภาพอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นขณะที่มีการเป่าสังเป็นครั้งแรกสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในจักรวาล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 ก็ได้มีการสาบานยืนยันถึงความสัจจะของท่านรอซูลและสิ่งที่ท่านได้นํามาจากอัลเลาะห์อีกทั้งได้ตอบโต้การกล่าวเท็จของพวกมุชริกีนที่ยังว่าอัลกุรอานนั้นเป็นเลขกลและคําพยากรณ์หลังจากนั้นได้กล่าวถึงหลักฐานอันแน่นอนในความเป็นสัจธรรมของอัลกุรอานและการรักษาอามะนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแพร่บัญญัติศาสนาตามที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่าน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 ملحقه الشيء الذي سيحدث อย่างแน่นอนนั้นคืออะไร وما ادراك ما لحقه لأنใดเล่า ทําให้เจ้ารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร كذب الثمود وعاد بالقارعه พวกสมูดและพวกอาร์ดได้ปฏิเสธวันกียามะห์กะอัมมาซะมูดฟออห์ลิกูบิตฏอฆียะห์ส่วนพวกสมูดได้ถูกทำลายด้วยเสียงกัมปนาทที่น่ากลัววะอันนาอัดฟออห์ลิกูบริฮินซอบซอรินอาติยะห์ ส่วนพวกอาร์ทถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังก้องซักฮัรฮาอะลัยฮิมซะบะอะลัยาลวะกะมาเนยะอ์ยามินฮะซูมาฟะตารัลกอมะฟีฮาซอรฺอกะอันนะฮุมอะญาซุนัคหลิฟาวียะพระองค์ทรงให้ภัยนี้เกิดขึ้นแก่พวกเขา 7 คืนกับ 8 วันต่อเนื่องกันแล้วเจ้าจะเห็นกลุ่มชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้น พระ 1 ต้นอินทพรัมที่คั่งในกลวงล้มระเนระนาด فهل ترى لهم من باقيه แล้วเจ้าเห็นอะไรหลงเหลือบ้างสําหรับพวกเขา و جاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه ฟرع และพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตะฟิกาดได้กระทําความผิด فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الضَّارِيَةِ พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อศาสนทูตของพระผู้อภิบาลของพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น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 วันกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นไวชะกะติสซมาอ์เฝฮิยะอ์มะอิซวะฮิยะละชั้นฟ้าก็จะแยกออกแล้วมันจะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้นวัลมะลกุอะลาอรจาอิฮาวะฮะมิลอัรชะร็อบบิกฟาวกะฮุมยะอ์มะอิซ 8 ละมาลัคก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและมลาอิกาตจํานวน 8 ท่านจะทูลบังลังก์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในวันนั้นยามาอิดิลตออรอฎูนลาตัคฟะมินกุมคอฟียะวันนั้นพวกเจ้าจะถูกนํามาอยู่ต่อหน้าพระองค์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 ความจริงฉันคิดว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉันและเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสําราญในสวนสวรรค์อันสูงส่งการเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่มือเอื้อมกูลูวัชรบูฮานีอะบิมาอสละฮตุมฟิลอัยามิลคาลิยา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 ถูกนํามายืน ولم اجري ما حسابيه لا ไม่รู้เลยว่าบัญชีของฉันเป็นเช่นใด يا ليت كانت القاضيه او หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดี ما اغنى عني مالي ثรัพย์ สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันฉันเลย هلك عني سلطانيه อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้วคูดูฮุกะลลูจะมีคําบัญชาแก่มาลาอิกะห์ว่าจงนําเขาไปแล้วล่ําตรวนเสียซุมมัลจะฮีมะซัลลูแล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรกซุมมะฟีซิลซิละตินดรรอฮา 70 ดิรฺอ์ฟัสลุกู เล่าล่ําโซเขาซึ่งความยาวของมัน 72 อินนะฮูกานาลายูมินบิลลาฮิลอะซีมแพ้จริงเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่วะลายะฮุดดุอะลาตะอามิลมิสกีนและเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสนละไลซะละฮุลยาอ์มะฮาฮุนาฮามีนดังนั้นวันนี้ เขาจะไม่มีเพื่อนสนิทณที่นี้วะลาตะอามุนอิลลามินกิสลีนและไม่มีอาหารอย่างใดนอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรกลายะกูลูฮูอิลัลคอติอูนไม่มีผู้กินมันนอกจากบรรดาผู้กระทำความผิดซะลาอุกุซิมุบิมาตับซิรูนเปล่าเลย ข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็นวะมาลาตุดซิรุนและสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นอินนะฮูละกอลุรอซูลคารีมแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของศาสนทูตผู้ทรงเกียรติวะมาฮุวะบิกอลีชาอิรกอลีลันมาตุมมินุน และไม่ใช่คํากล่าวของนักกวีส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธา ولا بقولك هين قليلا ما تذكرون และไม่ใช่คํากล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ควรเป็นการประทานมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ولو تقول علينا بعض الاقاويل ล่าเค้ามุฮัมมัดเสกสรรกล่าวคําเท็จบางคําแก่เราเราก็จะจับเค้าด้วยความมั่นคงเราก็ตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเค้า ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้ว่าอินนะฮูละซกิเราะตุลิลมุตตะกีนและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรงว่าอินนาละนาลามอันมินกุมมุกัซซิบินและแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่า มีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้าว่าอินนะฮูละฮัสเราะอะลัลกาฟิรินถ้าจริงอัลกุรอานนั้นเป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าอินนะฮูละฮักกุลยะกินและถ้าจริงอัลกุรอานนั้นเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอนตัสบิหฺบิสมิร็อบบิกัลอซีม